ก็ยิงกระตุ้นความรู้สึกของเหยื่อสาวให้เพลิะตามมากขึ้นเท่านั้นเพศชายได้เปรียบตรงที่ไม่เน่าไม่เสียไม่มีความบุบสลายแล้วก็ไม่ได้มีรูปเป็นทรัพ์ธรรมชาติออกแบบให้ชายมีรูปเป็นเครื่องตักตรงทรัพ์จึงไม่ให้ความรู้สึกร่อยหรอผู้ชายจึงรู้สึกว่ายิ่งครอบครองหญิงมากก็เหมือนได้รั์มากตรงข้ามกับเพศหญิงที่เสียเปรียบ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 คิดว่าเราอย่าใกล้เป็นเลยก่อนที่ใคร